ได้ศึกษาศิาทธาในธรรมหัวข้อแล้วที่ชื่อว่าแต่สงยังไม่ได้สมมติคือแต่สงยังไม่ได้ให้วุฒฐานสมมติด้วยยติทุติยกรรมคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาศหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอะบาดทุกกฎจบยติต้องอะบาดทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอะบาดทุกกฎสองตัว จบกรรมอาจารย์ครั้งสุดท้ายภิกษณีผู้เป็นอุปชาต้องอบัตตาจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัตติทุกกฎ